ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทยัยเมื่อประมาณ 3,500 ปีก่อนพุทธศักราชชนชาติไทยได้อพยพข้ามเทือกเขาเทียนซานเดินทางมาจนถึงที่ราบลุ่มอันดุดมสมบูรณ์ณบริเวณต้นแม่น้ำหวงโหและแม่น้ำเยงสีเกียงและได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ณบริเวณแห่งนั้นแล้วละเลิกอาชีพเลี้ยงสัตว์แต่เดิมเปลี่ยนมาทำเกษตรกรรม ความเจริญก็ยิ่งทวีมากขึ้นมีการปกครองเป็นปึกแผ่นและได้ขยายที่ทำกินออกไปทางที่ตนออกตามลำดับเราเรียกตัวเองว่าไอ้ลาวหรือพวกมุงประกอบกันขึ้นเป็นอาณาจักรใหญ่ถึงสอาณาจักรด้วยกันคืออาณาจักรลุงอาณาจักรป้าและอาณาจักรเหนียว